อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังคันจะสรรนังขโตจตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสติติ ณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นการประกาศาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมาศาสดาเพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบา ร, รมีของท่านพุทธศาสนิกสมาธิทั้งหลาย ซึ่งขนขวายในเรื่องบุญในเรื่องกุศลน้อมนำตนเข้ามาสู่วัดประยุรวงศาวาสเพื่อหาโอกาสดีนาทีทองบำเพ็ญบุญอันมีประการต่างๆเช่นมีการบำเพ็ญทานรักษาศีลสดัตรับฟังพระธรรมเทศนาเพิ่มภูในส่วนของภาวนาว่าตามลำดับ อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดไปยุโรวงสาวาทขออนุโมทนาต่อท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับประโยชน์อันเกิดจากการมาวัดโดยการสับตรับฟังพระธรรมเทศนาหาความรู้และระยกระดับตนเข้าสู่การปฏิบัติและตัดสิ่งต่างๆอันเป็นโทษ คือปริโภคตต่างๆเนี่ยที่ผูกพันจิตใจของท่านไว้ทำให้ใจไม่มีอิสระทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ฟรีไม่ว่างถึงคราวที่เห็นจริงต่างๆที่ดีมีประโยชน์จะบรรจุใส่ไว้ในใจจิตของเรามันก็ไม่รับเหมือนกับน้ำชาที่ล้นถ้วยขอท่านทั้งหลาย ได้ถ่ายเทของเก่าสิ่งกังวลเก่าๆออกไปจากใจของเราเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทำจิตใจให้ว่างเปล่านั่นก็คือตั้งใจว่าจะจับสิ่งต่างๆใส่ลงไปในความสำนึกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ท่านทั้งหลายจักได้จากการสดัตรักฟังพระธรรมเทศนา การสดับตับฟังพระธรรมเทศนานั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่ามีอานิสงส์ทั้งสองระดับด้วยกันระดับแรกคือในปัจจุบันทันตาท่านสาธุชนจะได้ฟังเรื่องใหม่ๆประการที่สองจะได้คบคิดจะได้วิจัยเรื่องที่เคยฟังมาแล้วเรียกกันว่าเอาเรื่องเก่า เข้ามาสู่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการวิจัยเรื่องเก่าประการต่อมาเป็นการบรรเทาความสงสัยในเรื่องต่างๆมีญาติโยมหลายท่านตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญว่าการทำบุญตักบาตรในพระพิสุสัมเนในขณะที่พระเนนเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้า จะอธิษฐานอย่างไรจึงจะเป็นความถูกต้องดังนี้เป็นต้นคิดอย่างนี้คิดด้วยความสงสัยเมื่อสัตรกับฟังพระธรรมเทศนาไปก็ได้คำตอบความสงสัยก็หายไปเรียกว่าเป็นการบรรเทาก่อนลังขาประการต่อมาจะได้สัมมาทิฏฐิก็คือว่าได้ความรู้ ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องและที่สำคัญไปกว่านั้นก็จะมีสมาธิมั่นคงการที่เรานี่ฝึกฟังวัธรรมเทศนาอย่างมีสติสมาธิก็เกิดเองนี่เป็นอนุสง์ในปัจจุบันทันตาซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าธรรมะสวนณานิสงก็แปลว่าอนิสง์ ที่จะพึงได้จากการสดับตรัพฟังพระธรมเทศนาอันนิสง์ที่สูงไปกว่านี้คืออะไรก็คือว่าญาติโยมท่านสาธุชนจะได้ริมชิมรสวิมุตติรสได้รินวิมุตติรสหรือได้ชิมวิมุตติรสอันว่าวิมุตติรสคือรสของธรรมะนี่ชนะรสทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามที่มีการโฆษณากันว่าอร่อยอร่อยรถยำยำรถมาม่ารถไวไัยวัยอะไรต่างๆนี่ที่ว่าอร่อยอร่อยนั้นยังสู้ธรรมรสไม่ได้ธรรมรสที่บอกว่าเหนือกว่ารถทั้งหลายนั่คือกาหนดเอาตรงไหนกำหนดตรงที่ถ้าฟังทำแล้วใจมันหลุดใจมันหลุด เราเรียกเต็มๆว่าหลุดพ้นบางอย่างมันหลุดแต่มันยังไม่พ้นเราจะต้องฟังธรรมจนใจได้ความหลุดพ้นเ <c oughs> ช่นหลุดพ้นจากความตนหนีที่เหนียวเกิดกําลังใจในการบาเพ็ญฐานหลุดพ้นจากสิ่งที่หวงที่ห่วงทั้งหลายเช่นห่วงบ้านห่วงลูกห่ ว, วงหลาน ท่านทั้งหลายเดินทางมาสู่วัดได้ก็แสดงว่าท่านพ้นได้ในระดับหนึ่งไอ้ที่พ้นอย่างนั้นก็เพราะอะไรฟังธรรมะธรรมะเป็นโอสถบำลุงใจให้เกิดกำลังมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆพอจิตเขาเราเข้าถึงซึ่งวิมุตติรสเท่านั้นนะถือว่าท่านได้รับอานิสง์ของการฟังธรรมชั้นสูง ฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้การแสดงพัะธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะใช้เวลาเล็กน้อยไม่มากนักจะแสดงแบบรวบรัดขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังก็แล้วกันเพื่อได้อา น, นิสงส์ทั้งสองระดับดังที่กล่าวมาแล้วในวันนี้จะนำพระพุทธพจน์บทบารี ซึ่งได้ตั้งไว้ในเบื้องต้นว่าโยพุธทธันจะทำมันจะสังคันจะสรนังขโตพระพุทธพจน์บทนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าหน้าที่เท่าไหร่ต้องถามพระครูวิเชียนดูเพราะเป็นที่ปรึกษาพระไตรปิฎกของอาตมาอาตมารู้ว่าเล่ม เ, เท่าไหร่จะวันหน้าเท่าไร่บรรทัดเท่าไหร่ีนจำไม่ได้แต่ท่านพระครูวิเชียนนี้ท่าน กอดพระไตรปิฎกอยู่ทั้งวันทั้งคืนท่านจะรู้ว่าอยู่หน้าไหนอยู่เล่มไหนอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ขอให้รู้ว่ามาจากพระไตรปิฎกซึ่งแปลความว่าบุคคลใดก็ตามเข้าถึงซึ่งพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วหลังจากนั้นใช้ปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่จนเห็นอริยสัจสี่โดยชอบ บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอันเกษมมีที่พึ่งอันประเสริฐแต่ว่าวันนี้ธรรมภาพจะขออาธิบายเฉพาะประเด็นต้นๆคือเรื่องพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่หมายถึงพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยก็แปลว่าแก้วสามประการสามประเภท ซึ่งญาติโยมทั้งหลายต้องรู้ดีเพราะเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธท่านใดถ้าไม่รู้จักพระรัตนตรยัยชาวพุทธท่านนั้นกล่าวได้ ว, ว่าตบะเดชะยังอ่อนอยู่แต่ญาติโยมที่รู้จักพระรัตนตรัยก็จริงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็ยังไม่แน่ว่า ที่รู้นั้นรู้จริงหรือไม่รู้ถูกหรือไม่และรู้แล้วเนี่ยเข้าถึงพระตนะตรได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าการเข้าถึงพระตนตนะไตรได้อย่างแท้จริงนั้นนับว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเพราะว่ามีที่พึ่งอันสำคัญพระตนะตรนั้นจะเข้าไปเป็นสรณะในใจของเราคอยค้้มจุนจิตใจของเราไม่เสไม่ล้มไม่สุด ไม่เสียไม่เสื่อมในเมื่อจิตของเรานีมีความมั่นคงถึงขนาดนี้จะเป็นการยากอะไรกับการที่เหล่านี้จะได้ดวงตาเห็นธรรมจะได้เข้าถึงซึ่งธรรมะในระดับสูงเรื่อยๆขึ้นไปเป็นเรื่องไม่ยากเย็นแต่ทุกวันนี้คนกลัวความดีแต่เข้าหาความชั่วมีความเห็นเกตตัวอย่างหลากหลายสุดที่จะพรรณนาก็เพราะว่า ในจิตในใจไม่มีพระธนตรัยอยู่เลยกราบไหว้แบบเป็นลีเกละครกันไปแต่ละวันแต่ละวันแล้วในที่สุดไม่มีพระธนัตรตรคอยค้ำจุนจิตใจก็กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าจากที่พึ่งท่านเปรียบพระธัตนตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงน์นี้เป็นเสมือนไม้อิงสามขา ท่านทั้งหลายคงนึกเห็นภาพว่าไม้อิงสามขาไม้สามท่อนเวลาเราตัดมากองไว้เนี่ยมันยังไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะให้เกิดประโยชน์ในการค้ำยันต้องเอาไม้สามอันมาปลูกด้วยกันแล้วมันจะค้ำยันสิ่งต่างๆได้ดีที่สุดถ้าโยมนึกภาพไม่ออกดูพราหมณ์เขาไปก่อพิธีที่ไหนเนี่ยเขาจะมีคล้องไปด้วย เขาจะาไม้สามอันมาค้ำยันกันไว้แล้วก็แขวนคล้องคล้องจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามที่ไม้สามอันเนี่ยมันสามารถค้ำยันให้คล้องอยู่ได้แล้วก็ใช้คล้องตีในพิธีต่างๆนะั่นคือไม้อิงชีวิตจิตใจของชาวพุทธถ้าเกิดปราศจากพระนตะไสยเสียแล้วนีจิตใจของเราก็ด้านทำความดีไม่ประสบความสาเร็จ ไม่จะทําทความดีขนาดไหนก็ไม่ต่างอะไรก็เอาน้ําลดหัวต่อต่อจะไม่แตกกิ่งแตกก้านแตกยอดแตกประการใดเรียกกันว่าเป็นใจที่ไม่ดีเหมือนพื้นนาที่ไม่ดีถึงจะได้พืชพันธุ์ดีขนาดไหนหวานลงไปปลูกลงไปก็ไม่งอกไม่เงยฉันใดใจที่ไม่มีพรุรธะนัตใจนี่มันเอาดีไม่ได้จริงๆ เพราะว่าเป็นใจที่ขาดคุณภาพเป็นใจที่ขาดที่พึ่งฉะนั้นท่านทั้งหลายก่อนที่จะนิมนต์หรืออัญเชิญพระตนตรยัยไปประจำไว้ในจิตใจของเรานั้นต้องรู้จักพระตนตรัยให้ดีตั้งแต่พระพุทธเจ้าคุณโยมรู้ดีแล้วหรื อ, อยังพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่รู้กันดีแล้วหรื อ, อยังว่าพุทธบุคคลในที่นี้คือใครอะไรกันแน่ แล้วกล่าวพระพุทธรูปนั้นนะบางทีแล้วก็ในเลนะคือพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดมีคนไปถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครยุ่งกันใหญ่เลยทีเดียวเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องพระธนตรัยเป็นลําดับไปอันถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญก็จะขอทําความเข้าใจท่านทั้งหลายได้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสังฆะกันเสีก่อน พุทธเจ้าหรือพุทธบุคคลนั้นท่านจะแนกแยกแยะไว้ถึงสี่ประเภทอยู่กันประเภทแรกก็คือพระสมมาสมพุทธเจ้าพระสมมาสมพุทธเจ้านั้นมีพระพุทธปฏิมามีรูปปั้นแทนตัวท่านซึ่งตั้งอยู่ที่กลางโบสถ์การวิหารเนี่ยที่วัดของเรานี้มีศาสนสถานมีศาสนวัตถุครบเลย สงสารบางวัดที่มีไม่ครบโบสถ์วิหารการประเรียนยังมีไม่ครบเป็นวัดที่สร้างใหม่ห่างไกลความเจริญไม่มีญาติโยมประถมขั้นชูนี้ไม่ครบแต่ว่าวัดปยุรวงสา ว, วาทที่มีครบบระโยชนพระวิหารหลังใหญ่มพีพระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อพุทธนาคหลวงพ่อพุทธนาคนี้เป็นพุทธลูกเก่าแก่ อายุแปดเก้าร้อยปีที่จะมาพูดถึงว่าเก่าแก่นี้ไม่ได้เน้นให้โยมทั้งหลายเชื่อความเก่าความแก่แต่ต้องการจะบอกกัญาติโยมว่าพุทธศาสนิกชนคือพระพิสุสมณเณรอุบาสุอุบาติกาชาววัดประยุรวงศาวาดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาได้พากันดูแล ร, รักษาบุรณะปฏิสังขรณ สมบัติของพระศ า, าสนาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นให้มีความมั่นคงดำรงอยู่มาจนถึงพวกเราเอาตมานึกขอบคุณนึกอนุโมทนาท่านทั้งหลายตั้งแต่ท่านเจ้าคุณเจ้าวาดรูปที่หนึ่งมาจนถึงปัจจุบันตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาชาววัดปยูงสาวาสนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในการทํานุกบารุงพระพุทธศาสนา จึงทำให้ศาสนสมบัติตกมาจนถึงพวกเรานึกถึงตรงนี้โบสถ์วิหารกา ร, รเรียนเนี่ยนะอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยนะแต่ละยุคแลสมัยมาจนถึงชิ้นส่วนที่สำคัญก็คือพระบรมาธาตุเจดีย์พระเจดีย์องค์ใหญ่ปัจจุบันนี้ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระพรมบัณฑิตจเจ้าวารูปปัจจุบันท่านได้ วางเป็นโครงการชิ้นแรกเมื่อท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดบูรณปฏิสังขรณ์แล้วการบูรณปฏิสังขรณ์นั้นก็คือสมชื่อแหละบูรณะก็แปลว่าทำให้มันเต็มอะไรที่มันขาดทําให้มันเต็มเสีปฏิสังขรณ์ก็แปลว่าอะไรที่มันไม่ดีมันทําท่าจะเสียทําให้มันดีเสียทาให้เต็มทําให้ดีทั้งสองรูปแบบก็เป็นความสมบูรณ์ รูปทรงก็เหมือนเดิมเนื้อของพอระพรมธาตุเจดีย์ก็ทำให้ดีกว่าเดิมให้มีความคงทนกว่าเดิมแต่เดิมพระบรมธาตุเจดีย์ของเรานั้นไม่มั่นคงนักอาจจะล้มพังคลืนลงไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าบุรณะใหม่นี้โดยการกำชัดดูแลของท่านเจ้าขุนเจ้าวาดท่านให้มีเสาแกนกลางเจดีย์ที่แข็งยิ่งกว่าเดิม คุณโยมคงได้ฟังข่าวว่าพระเจดีย์วัดเราได้รับรางวัลจากองค์การยูนิสโก้ไม่ใช่รางวัลธรรมดานะโยมนะเป็นรางวัลชั้นยอดเลยเรียกว่า Top ปออฟ l ซเลน์คือหมายความว่า ม, มันยอดเลยยิ่งกว่ารางวัลทั้งหลายรางวัลมีหลายรางวัล น, นะฮะเราจะใช้ภาษาไทยว่ารางวัลยอดเยี่ยมอะแล้วกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ก็จะมีการชี้แจงแถลงข่าวกันทีศาลาหนึ่งนะะันะ โยมคอยติดตามวัดทวัดของเราในะมีของดีเอาย้อนกลับมาว่าพระพุทธรูปดีที่เราเห็นในที่ต่างๆนั้นคืออะไรพระพุทธปฏิมารูปปั้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์แต่เรียกเจาะจงไปที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประเภทนี้เป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบ ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังไม่พอยังมีความสามารถในการเผยแผ่ในการสั่งสอนในการเทศสอนชาวโลกอีกด้วยนี่คือพระสมมาสับพุทธเจ้าพุทธะประเภทที่สองคือพระปัเจกับ พ, พุทธเจ้านี้ก็สามารถตัดกิเลสดับความทุกข์ได้ด้วยตัวของท่านเหมือนกัน แต่ไม่มีความสามารถนี่จะสื่อสารจะถ่ายทอดหรือจะสอนความรู้ที่ได้มานั้นแก่ชาวโลกได้พระปัจเจกระพุทธเจ้านี้ก็คือเป็นความรู้เฉพาะตัวไม่ใช่ตัวหลายตัวคือตัวเดียวเท่านั้นพระองค์ท่านเท่านั้นปัจเจกะปัจจะก็แปลเฉพาะเอกะก็แปลว่าหนึ่งเท่านั้นพุท ธ, ธะก็แปลว่ารู้เฉพาะท่านองเดียวเท่านั้น นิยมก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าพระพเจ้าเนี่ยไม่ได้มีองค์เดียวมีหลายประเภทรเพระปเจกะพุทธเจ้านี้บางครั้งถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าเงียบทำไมจึงเรียกว่าเงียบโยมทราบไหมเพราะว่าท่านไม่ปริปากสอนใครเลยท่านสอนชาวโลกด้วยความประพฤติด้วยการกระทำเช่นเดินสำรวมนั่งสำรวม แต่ว่าท่านไม่เทศสอนไม่ถ่ายทอดความรู้สื่อกับใครผูดด้ใดทั้งสิน้นนี่พระปฏิเจกัผู้ใจจาพุทธะประเภทที่สามคืออนุพุทธะอย่างเช่น ญ, ญาติโยมเนี่ยก็คือเป็นอนุพุทธะพระพิสุสมมเณีนทั้งหลายเป็นอนุพุทธะพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นอนุพุทธะก็แปลว่ารู้ตามต้องมีผู้เทศ ต้องมีผู้ชี้แจงอย่างเช่นพระโมคคาราภาษาลีบุตรข้างองค์พระประธานเนี่ยถ้าไม่มีพระอัศชิไม่มีพระพุทธเจ้าเทศให้ท่านฟังเนี่ยท่านจะไม่รู้แต่ที่ท่านรู้ก็เพราะว่าได้ฟังพระอัศเชีเทศได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศพอท่านได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาลืมหูลืมตาขึ้นมานี่คืออนุพุทธะ มีอีกพุทธะหนึ่งก็คือสุตตพุทธะสุตตพุทธะก็แปลว่านักศึกษาทั้งหลายอย่างเช่นญาติโยมนี่ก็จัดเป็นสุตตพุทธะได้ด้วยเพราะญาติโยมกาลังศึกษาอยู่พระสงฆ์ที่ท่านบวชเข้ามานั้นบวชมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการเป็นสุตตพุทธะสุตตก็แปลว่าการศึกษาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ เป็นผู้รู้ด้วยการตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติพัฒนาตนเองนี่ก็เรียกสุตตพุทธนี่คือพระพุทธเจ้าญาติโยมต้องเข้าใจอย่างนี้บางครั้งเราเรียกคําเดียวว่าพุทธแต่ที่เราเจิมก็ว่าเจ้าเข้าไปก็ไปว่าองค์ใหญ่หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ป้าปเจกระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทําไมจึงเรียกกระเจ้าก็เพราะว่าท่านสมควรยกย่องว่ายอดเยี่ยมเพราะท่านตัดกิเลสและพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอนุพุทธะนั้นก็เรียกว่าอนุพุทธเจ้าได้เหมือนกันเพราะว่าท่านหมดกิเลสท่านดับความทุกข์ได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนนี่คือพระพุทธเจ้า มีสี่ประเภทเอ้าพระธรรมเจ้าน้หมายถึงอะไรล่ะพระธรรมเจ้าโดยทั่วไปแล้วก็บอกว่าคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพ่ะมสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้นั้นก็ถูกแต่ก็น่าจะได้รับรู้นัยยะเพิ่มเติมขึ้นว่าธรรมะนั้นคืออะไรธรรมะนั้นหมายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนํามาเนี่ยเทศสอนพวกเราทั้งหลาย ดังที่พระสงฆ์ท่านเรียนธรรมะเรียนหลักธรรมก็นำมาสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายธรรมะที่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั่นแหละแล้วนำมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีมีอนุภาพในการจะปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยให้พ้นจากปัญหานาน า, นาชนิดเป็นที่มาของคำกรริวธรรมเท่านั้นทา คนให้พ้นผิดทำเท่านั้นทำจิตไม่เควิดทำเท่านั้นป้องกันโรคไม่เสคนไม่เป๋เพราะทำป้องคุ้มครองคนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดสู้และนำมาถ่ายทอดสั่งสอนแก่ประชาชนนั้นถามว่ามีกี่ประเภทมีกี่อย่างถ้านับจำนวน เป็นลักษณะหมวดหมู่แล้วมากมายแ4ด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองฐานะของธรรมะมีสามฐานะเท่านั้นธรร ม, มะฐานะแรกเป็นฐานะแห่งความรู้เรียกว่าปริยัติธรรมเราอยากจะรู้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรบ้างก็ต้องเรียนรู้กัน ฉะนั้นจึงจัดให้มีระบบการศึกษายกตัวอย่างว่าทั้งฝ่ายพระนี่มีปริยัติธรรมบาลีเรียนพระไตรปิฎกญาติโยมก็เรียนอภิธรรมกันเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของปริยัติธรรมเราเรียนตรงไหนและญาติโยมก็เรียนพระไตรปิฎกตำราที่พระได้เรียนกันก็นํามาจากพระไตรปิฎกแยกมาเป็นส่วนเป็นส่วนบาลีบ้างเป็นส่วนอัจฉริยะบ้างเป็นส่วนดีกาบ้าง เรานำมากันเป็นส่วนของปริยัติธรรมเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของข้อมูลประการต่อมาพระธรรมในฐานะที่เป็นปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมจะต้องลงมือทำด้วยกายวาจาใจยกตัวอย่างท่านทั้งหลายนี่นะฮะปฏิบัติทางกายก็คือตั้งอยู่ในศีล ปฏิบัติทางใจก็คือบำเพ็ญสมาธิปฏิบัติทางทิฏฐิก็คือว่าพัฒนาปัญญาปฏิบัติด้วยกายวาจาใจเข้าไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติธรรมพระธรรมในฐานะที่ว่าปฏิบัติลงไปแล้วได้รับผลนั่นปฏิเวทธรรมหรือปฏิเวทธรรม ฉะนั้นพระธรรมจึงมีสามฐานะที่สําคัญหนึ่งปริยัติธรรมสองปฏิบัติธรรมสมปฏิเวทธรรมการที่ท่านทั้งหลายจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยท่านก็ต้องมาวัดตัวเองไว้ท่านถึงระดับไหนถ้าเกิดท่านไปติดอยู่แค่ความรู้ความรู้นั่นก็จะกลายเป็นพิษจิตมันจะคิดไปสารพัด ท, ทุกอย่างกลายเป็นใจที่ฟุง้งซ่านเหมือนกับบัณฑิตในสมัยพุทธกาลชื่อว่าสัจจการนิคน แกเป็นผู้ที่มีความรู้มีความจำมีสติปัญญารีเลิศถึงขนาดนี้ไปท้าพระพุทธเจ้ามาประลองภูมิรู้กันแกเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากเป็นคนเก่งคนหนึ่งวั้นทํานองนั้นเลยทีเดียวศึกษามากฟังมากเรียนมากจนสำคัญผิดคิดว่าความรู้อยู่ในตัวมันมากมายความรู้มันอยู่ในพุงที่มากมาย เกรงว่าความรู้ที่มากนั้นจะทําให้ท้องแตกก็เลยไปตีเหล็กเขาเหล็กวิราชามาลัดพุงไว้เหมือนเขยมขัดป้องกันไม่ให้ท้องแตกเพราะความรู้มีมากเกินไปแกเข้าใจอย่างนั้นแกได้ดสะสมความรู้แต่ว่าไม่ลงไปสู่การปฏิบัติในที่สุดก็ทําให้เป็นคนมิจฉาทิฐิพบพระพุทธเจ้าแล้วได้รับประโยชน์ทีเดียวคือมีความเลื่อมใส ต้องตายไปจากชาตินั้นและไปเกิดใหม่แล้วเกิดไปอีกชาติหนึ่งเนี่ยจึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมลงคิดดูเสียเวลาขนาดไหนอย่าไปติดอยู่แค่ความรู้นั่นต้องเข้าสู่การปฏิบัติทํากายวาจาใจก็เราให้มันถูกต้องซิไอที่เรารักษาศีลก็หมายความว่าทํากายวาจาเพราเราให้มันถูกต้องอรรยา่าทํากายวาจ า, าเพเราให้มันผิด ทำกายถูกต้องก็คือว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนี่คือถูกต้องทำวาจาถูกต้องคืออะไรไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำอยางไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เขาเรียกนว่าถูกต้องทางวาจาและก็ให้มีความถูกต้องทางใจก็คือว่าอนัพิจชาไม่ละโมบรบมากอัพยาบาทไม่โกรธใครไม่อาฆาตใครไม่มิจฉาทิฏฐิคือไม่มีความเห็นผิด ความเห็นผิดนี่อันตรายนักหนาเห็นชั่วเป็นดีเห็นผีเป็นเทวดาอย่าแงบบนี้เป็นความเห็นผิดเป็นอันตรายฉะนั้นอย่าต้องทำกายวาจาให้มันผิดใจให้มันผิดเลยการปฏิบัติธรรมคือทำกายให้ถูกทำวาจาให้ถูกทำใจให้ถูกด้วยสมาธิแล้วพัฒนาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องของปัญญา เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับผลเลยทีเดียวผลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมในพระศาสนานั้นเรียกกันว่ามักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งโลกุตละธรรมนี้เป็นผลมักนั้นเป็นตัวอะไรประหารกิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะในขณะที่มักทําหน้าที่ประหารฉับพลันทันทีบังเกิดผลเลยทีเดียวบังเกิดผลก็คือว่าจิตใจของตนนั้นขึ้นสู่ระดับของพระ อริยบุคคลและเดพระสดาสกธาอนาคาอารหันนี่เป็นอย่างนี้เรืยก่ปฏิเวทนี่คือพระธรรมพระรัตนตรัยประการสุดท้ายก็คือพระสงฆ์หรือสังฆ์ข้าจ้าคำว่าสังฆะนี่แปลว่าหมู่ถามว่าหมู่อะไรหมู่ของคนเนี่ยที่ทำตนให้ตื่นอยู่เสมอ อยู่อย่างลืมหูลืมตาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตามลำดับเหมือนกับหมูของพิสุทั้งหลายซึ่งบวชนามัิภาษะสนาฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเทศโปรดแล้วก็ลืมหูลืมตาเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้สมกับคำว่าบวชบวชนี่มีความหมายสามประการบวชเนี่ยบแปลว่าบ่ม วแปลว่าเว้นชแปลว่าเชื่อมบ่มเว้นเชื่อมเป็นแนวทางใช้ชีวิตลืมหูลืมตาเมื่อก่อนนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่บ่มเว้นเชื่อมเพราะไม่มีใครชี้ต่อมาประวุเข้ามาศึกษาแล้วพอเข้าใจลืมหูลืมตาพัฒนาชีวิตใหม่นี่เรียกกันว่าภิกษุสงฆ์สาวกสงฆ์แบบญาติโยมก็เหมือนกัน เข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ต้องลืมหูลืมตาที่จะพัฒนาตัวเองนี่ก็เรียกว่าหมู่หมู่สงนี่เป็นอย่างนี้ภิกษุสง์ก็มีสาวกสงก็มีสงนั้นไม่ใช่หมายความว่าโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองเข้ามาอยู่ที่วัดไม่ใช่แม้เป็นหมู่ของพุทธบริษัทอื่นๆ อ, อุบาสกอุบาสิกาที่พัฒนาตัวเองอยู่อย่างคนลืมหูลืมตาก็จัดว่าเป็น สังข้าเจ้าเหมือนกันถ้าหากว่าญาติโยมมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีความเรื่อมใสเข้าถึงพระตนรมกยทั้งสามนี้แล้วญาติโยมจะมีที่พึ่งอย่างบางคนก่อนหลับก่อนนอนก่อนที่สายจะถึงหมอนไหวพระสวดมนต์ทุกวันนี้นั่นก็มีที่พึ่งในระดับหนึ่งแล้วเรียกว่าปฏิบัติแล้วแผ่เมตตาเป็นประจำจนทาให้จิตของเรามีความชุ่มเย็น ไม่เห็นใครเป็นศัตรูไม่เห็นใครคุณอิจฉาริษยามีแต่ว่าบุคคลต่างๆนั้นเป็นกาลยาณมิตรเป็นเพื่อนชีวิตเป็นผู้ร่วมโลกของเราขอยเข้าพ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยเจอะเจอหน้าใครเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มไว้ไม่ทุกสนุกดีเหมือนยมย้อยเจอเจอใครก็ยิ้มใส่ตลอดเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นที่ยิ้มไม่ได้ อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงเข้าถึงพระตนตรัยได้ชื่อว่ามีที่พึ่งอันประเสริฐไม่เหมือนกับที่พึ่งอื่นๆที่ประชาชนคนทั้งหลายไ ข, ขวยคว้าหากันอยู่นี่คือความหมายทั้งหมดจากพระพุทธพจทนทว่าโยพุทธันจะธรรมมันจะสังขัญจะสรรนังขะโตซึ่งมีในดังที่ชี้แจงแสดงมา รัตนนตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์จงกำจัดทุกจเจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้เป็นสารผุดผ่องค้นผ่องัยขอเดชะพระสังครัตน์จงช่วยกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรตนาตรายขอท่านสาธุชนทั้งหลาย เจริญวัยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดอันไม่เหลือวิสัยสามารถขอความประสงค์จำนงหมายนั้นๆจงพลันสังเด็ดดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารว่าด้วยเรื่องพระรัตนตรัยมีในดังชี้แจงแสดงมาโดยประสงค์ก็ขอสมุติยุติรงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้